นี่ปัญห า, าทักษมเอกก็ผูกขึ้นเดี๋ยวนี้ทาไมจึงมีโลกีมาปนไปกับโลทุ ก, กุตระยงเหยิ ง, ยงมากสาสารณรโมหรนน้องทักมเอกก็พระเอารัตที่อื่นสาธาอื่นมาปนไปกับพระพุทธศาสนาก็เลยมากล่าวตัวว่าพระพุทธศาสนามีทั้งโลกีและโลกุตระด้วยแต่ความจริงเลยในพร ม, มัชารสูตร บืงต้นของพระพุทธศาสนาก็คือทุพิจนฺโญอุจุยยยะสามีเท่านั้นที่พระบรมศาสนาทรงรับรองเหลือดังนั้นเป็นโลกย์จะคุยทางนี้เพราะเอาโลกยมาผลไปศาสนาพระพุทธศาสนาไม่ใช่โลกยศาสนาเป็นโลกุตระศาสนาเพระยืนยันเอาทุพิจนฺโญอุจุยยยะสามีเป็นต้นไปเป็นพมจัทร์เบืงต้นของพุทธศาสนาเหลือนอกนั้นไม่เอามาเอ่ยเลยเราจะตอบอย่างนี้ตัวันนี้ ตอบนักทำเอกก็ไม่ตอบันเก่าชาตนาอื่นถ้าเขาไม่ประมาทยัญยะวิธีของเขาเขาจะสามารถถึงสุภเรวโมชุกยัญยะสามีบ้างได้หรือไม่ท่า น, นเรียนนักธรรมมาถึงนี่แล้วท่านจงตอบมาและอ้างเที่มาด้วยทำเอกผูกขึ้นเยอะนี่หรอ โลคิยศาสนาไม่มีในศาสนาพุทธเลยศาสน า, อ, าอื่นไม่สามารถจะถึงโลคุตระได้มีในมหาปริยพานสูตรที่พระบรมศ า, าสนาแสดงให้พระสุภัต t ผู้บวชต่อแกน่นเพราะท่านทาเดจพระธรรมในวันนั้นท่านบวชในวันนั้น เป็นปัจฉิมสาวกสุดท้ายปัตถมสาวกก็คือพระกนธญญรรมยะปัจฉิมสาวกก็คือองค์นั่นศาสนาอื่นถ้าเขาไม่ประมาทยัญญวิธีของเขาเขาก็ไม่สามารถถึงสุปฏิปนกุจุญายะสามีได้ก็มีแต่ศาสนาพุทธศาสนาเดียวเท่านั้นอย่าเลย่ยาเลยเราไม่พูดข้าวข้างตัวเราพูดข้าวข้างธรรมถ้าทําให้มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถลูกทาได้ ถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทำได้เห็นนั้นเราจึงเขารักทำเราจำเนกยร์ทำจำแนกท ำ, ำ, ก, ทำก็เพราะทำมีอยู่ก่อนถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนเราก็จำเนกไม่ได้จำแนกไม่ได้นั่นขบวนมัสสตาราซัตถโมกโรกาตบุเห็นนั้นเราจึงเขารักทำอย่าเลย อ, อย่าเลยณที่อื่นศ า, นาสดาอื่นไม่มีสุภะตะโนไม่มีอุชุญายะไม่มีสามีเจตพราะเขาก็เป็นโลกีดีๆนี่เองเขาจะเอา โลกุตระมาจากประตูใดล่ะพรบรมศาสีรามหาปรินิพพานสูตรมีอยู่แล้วให้ผมตอบธรรมะในทางนักธรรมโทธ ร, รรมเอกผมไม่ตอบเหมือนเก่าเดียวนี่ผมตอบใหม่ที่นี่ผูกขึ้ น, นแล้วนี่ดูพัดคำวัดผูกแล้วขับผูกธรรมะเขอาอนักธรรมเอกขึ้นแล้วนี่ คำว่าน้โมน้โมแปลว่าน้อมนอม้มคำว่าสัน ท, ทิโกในที่นี้ก็เหมือนกันก็แปลว่าเป็นผู้เห็นเองผู้เห็นเองในทางพุทธศาสนาจะหมายเอาอะไรว่าสันทิทโกน้โมก็เหมือนกันนี่สาธนะโวหารพิจารณาให้ถีทวนดูสิ ขม า, าสันทิโกในขั้งพุทธการเขาคงไม้เอาแต่พระสวดารันเป็นต้นไปสันทิโกของสักระตาคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นสันทิโกเห็นเองของพระอนาคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นสันทิิโกของพระหันถ์เขละเอียดไปกว่างนั้นสันทิโกของสุภิปันโนเหตุเป็นผู้เห็นเองเอาเอาเป็นประมาณได้สันทิโกต่ำกว่านั้นลงมาเป็นโลโกี้ยะ เช่นเขาไม่เลื่อมใสเขาพระพุทธศาสนาเขาเขารู้ว่าเขาไม่เลื่อมไสอยู่จะจับเป็นสันทิฏฐิโกมันก็ฟันเฟือเกินไปเขาไปรักยกยกห่อเขาก็ปฏิเสธเขาก็บอกว่าเขาปฏิเสธอยู่แต่เขาเขาเรียกว่าสันทิฏฐิโกอยู่แต่ว่ามัดฟันเฟือเกินไปคําว่าสันทิฏฐิโกนี่ก็หมายเอาสุพิธปัญโหเป็นตนไปคําว่าอาการเรโกก็เหมือนกันหมายเอาไม่มีการไม่มีเวลาหมายเอาพระสุธาพันเป็นตนไป ยังฮิปโปเจโกควรร่างเรียกใครมาดูได้ก่็เหมือนกันก็ไมาเอาจากพระสวัสดิวันมาเราไปจะให้คนตาบอดรอ่รองเรียกมาดูมันก็มาดูมาได้จะให้มันมาสนเขีย ม, มันก็สนมาได้ต้องหมายเอาแต่เฉพาะชุปิจพโนเป็นต้นไปคําว่าสวักขาโตพระกวัฏฐโมก็เหมือนกันจะหมายเอาโลกีก็ฟันเฟือเกินไปคําว่านโมก็เหมือนกันคำว่านโมแปลว่านา้นมา อ, นอม พระโชดาน้อมจนไม่หลงทางไม่สงสัยว่าจะถือศาสตาอื่นเออไม่เข้ารบศาสตาอื่นนโมเปรนน้อมใครเรียนนโมจบก็พระทหารเรียนนโมตบนโมพระทหารไม่มาลบไม่มาโกดไม่มาหลงพ้นแล้วนอบมจนไม่มาลบมาโกดมาหลงนอบมจนไม่มีกิเลสไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะ ข่าวปัจจุบันปัจจุบันพระสุวรรณปัจจุบันสักทากามีปัจจุบันพระนารามีปัจจุบันพระรังหาปัจจุบันพระปเจปัจจุบันพระสมัยพระพุทธเจ้าจะเอามาเทียบกันก็ไม่ได้ปัจจุบันพระสุวรรเป็นโลกุตรปัจจุบันสักทาคามีละเอียดไปก่นาคามีละเอียดไปกวานั้ปัจจุบันพระรังหารพ้นไปจากปัจจุบันแล้ว ข้าพเจ้าลูกปัจจุบันทำไปจริงของปัจจุบันข้าพเจ้ารูกอดีตทำไปจริงของอดีตข้าพเจ้ารู้อนาคตทำไปจริงของอนาคตแต่ข้าพเจ้าไม่ติดอยู่ในงานทั้งสามเหตุนั้นอัตวาทุประทานของข้าพเจ้าจึงไม่มีเมื่ออัตวาทุประทานของข้าพเจ้ารู้แตกชัดแล้วการมุประทานถือมันในกรรมที่ทุประทานถือมันในที่ถิ ที่พระตุปาทานถือมันนสินเพราอัตวาทุปาทานถือมันวา่าตัตวาตนก็ไม่มีเมื่ออัตวาทุปรารทานแตกไปแล้วอวิชชาตาันหาอุปท า, านกรรมพบชาติชร า, ามาันนะนะเพราะเขาไปได้เทวทุกงทกงนักปราชญ์ญาก็ดับไปนะักที่นั่นเองไม่ต้องเรียงเบรยอนุโลมปฏิโลมก็ได้ที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาเรียงให้เป็นอนุโลมปฏิโลมนั้นก็เพราะเหตุว่าจะทําให้สมภูมิของพระองค์และเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจชัดยกพระธาหอน เช่นพระพากระทังเทศเป็นักว่รรุษเป็นทศว่าเห็นขณะคิดเดียวเท่านั้นครับพอแล้วได้เรียงปฏิจจส ม, มุทบาทที่ไหนไม่ได้เรียงเพราะทําลายอัตวาธุปทานแตกกระเจอแล้วคือเทศอนัตตาให้ฟังเป็นสักว่รรุษเป็นทศว่าเห็นไม่ยึดถือผู้เห็นผู้ผู้เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคล ไม่ยึดถือว่าเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นไม่ยึดถือผู้เห็นเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นศัพว์เป็นบุคคลเป็นผู้อื่นและของผู้อื่นสังขารศูนย์ในเ ง, งื่นสองไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นสังขารศูนย์ในเงื่นสี่ข้าทะเลหลงไปซัก ไม่ต้องเรียงแบบอุปท า, านกรรมพุทธ ช, ชลามัมนนะฤฤฤฤนั่นนะโซกุลเทุกประโคมครับพอแล้วเป็นโยมอีกเสียด้วยมาคอยฟังบินมาเจอกันในเวลาบินทบาทพอพระประมศาสสด า, ามองเห็นก็รู้แล้วว่าโยมคนนี้มันจะสำเร็จพระรหันวันนี้ท่านรู้แล้วแต่ว่ากรอนพาไปก็เลยถามกันไปเฉยๆให้พระระมาสดาทรงพระกรณา เทศให้เก้าฟังด้วยเออเวลานี้เรากําลังบินทบาทอยู่ไม่สมควรบางทีพระปรมาสัตย์นาส้นลมปราณเดี๋ยวนี้ก็ได้บางทีเก้าสินลมปราณเดี๋ยวนี้ก็ได้เออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากเป็นทศกุลเป็นทศกวา เ, เห็นทําไมจึงว่าดอย่างนั้นก็ว่าไปตามกรเฉยๆเพื่อให้พระอยู่ข้างหลังฟังด้วยเพราะมีพระตามหลังอยู่เดี๋ยวพระจะกล่าวตัวว่ากําลังบินทบาทอยู่กัเทศเขาอะ นีกรอนพาไปเขาพูดเป็นตาสักว่าลูกเป็นตาสักว่าเห็นเนาะครับพอแล้วเพราะเห็นนะ่ะพระข้างพระเจ้ากัตะปะท่านไปผักบันไดทิ่งกัตฉะโปออกากึ้นมาก็โคตโมข้างพระเจ้ากัตฉะปะพัดพืชเด็ดเดียวไปผักบันไดทิ่งในภูเขานั่นกจคำพ่วงหนึ่งก็ ไปเกิดเป็นพระอนาคามีจำพวกนกั้เขาเข้าสู่พระาณเหลือแต่ท่านไปเทวโลกบ้างออไปพมโลกบ้างแล้วก็ลงมาเกิดในมนุษย์โลกลงมาเกิดในชตศาสนาของพระโคดมบาดคาถาเดียวก็เลยไปเลยพรามพาราวีชีพคนมีปัญหาถามประมาณมาเอง พระบรมศาสดาถ้าเราสันนิษฐานพิจารณาตามภาษาของเรามานบจิพกคนมาถามปัญหาพระบรมศาสดาทำไมพระบรมศาสดากิงห้ามาให้โมอกคาดเข้าเฝ้าลองคิดดูดูจะสันนิษฐานว่ายังไงท่านเรียนหนังสือมาถึงนี้แล้วทำไมจึงมาให้เข้าถามปัญหา ทำไมจึงให้ถามทีหลังท่านนักเขียนยังไงบ้างแต่คนอื่นทําไมไม่ห้ามทําไมจึงห้ามโมฆราชคนเดียวเพราะมีเหตุผลเป็นยังไงบ้างขอให้ท่านพิจารณาดูดูท่านเรียนหนังสือมาถึงนี้นใครพบตอบพบก็จะตอบตามภาษาบ้าผมพบก็จะตอบว่าที่พระบรมหัมตถระศาสดาฮักรานพระโมฆราอพระโมฆราชนั้นก็เพราะเหตุว่าในมานพ ที่พบคนนั่นพระมกขาลามีอัตว า, า, าทุปาทานทิฏฐิอืถือตนถือตัวเป็นผู้ฉลาดกว่าเพื่อนไปนี้กูก็จะถามก่อนหมูเพราะบรมศาสตรนาลุวาระสิทธิแล้วอแล้วก็เลยหักทิฏฐิทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ย ว, ย, วยังไม่ถึงวาระของท่านอืความสาคัญตนว่าฉลาดก็เลยหักลงอีกแล้วยุคตัวลงสีงนี้คืออัตวาทุปาทานเพื่อจะทําลายอัตวาทุปาทานช่วยเพื่อให้มันลด่อนลง เพราสำคัญว่าตัวเป็นผู้ชาลามข้างที่สองมาอีกก็ห้ามอีกข้างสุดท้ายูห้ามอีกข้างที่สองก็ทิศทีของท่านก็ลงอีกแล้วนี่อ่อนคอแล้วข้างที่สามมจงปล่อยอนุญาตมูมูทั้งหลายมดแบบสุดท้ายมา ม, มเออท่านจงพิจารณาโลกเป็นของศูนย์ เพราับตาโนทิถึงความเห็นว่าตนสักทั้งกลางวันและกลางคือชาติชาชาพระยาทิมานะมันจุลาจะไม่มาหาท่านเพยงเลยลดตำแหน่งลงห่ะอลดตำแหน่งทิถิมานะสำคัญว่าตัวสลารเความสำคัญว่าตัวสลารมันกับพิษนะว่ามันก็เป็นกิเลสมันจะเป็นกิเลสของพระ อ, อนาค้าไม่เห็นแม่นห่ สำเร็จพระละหันยังจะเปลี่ยนขะผู้เดียวเปลี่ยนขียนึกเชินอาจารย์โอ้ยว่าสังสารเขาเรากคนทีอ่อภานนี่กูขึ้นทอดอาจารย์กูเด้อพระสนเลยคิดฝูงสานเลยแต่พระหน้าคาม่ีพระสันตัวนักทำโทก็ต้องรู้นักทำเอกก็ต้องรู้พอผ่านไปแล้วก็เว้นไว้แต่นักทำตีผลหักมานาทิถีได้สำคัญว่าจะของสลับหักมานาทิถีมันี่ก็หน่าพระสัพนพระหักฝนหูจักไปย่างไปผล ได้ฮักาณนะทิธีไว้เพื่อพับคั้นว่าตัวลาดก็เลรออนคอลงอีกขั้นที่สองกับออนคอลงลายอีกขั้นที่สามจริงอธิบายหฟังท่านจงพิจณาโลกเป็นของศูนย์ถอนอัตตานุทิถิงความเห็นมาตนสักโลกภายในคือยังต่างหูจงเรียนกายใจเอาโลกภายในคือยังโลกภายในคือรูกเวทนาสัญญาสังขารเมีนญาล่ะโลกภายนอกคืออะไร เขาโลกยวทธนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านผูอื่นเอา้าที่สมมติกันแล้วพุทธเจ้าสลาดวิธีสั่งสอนจะได้พระพุทธเจ้สาสังสอนโดอยอุบายปอบโยนคืออย่างไหนคือสังสอนพระ อ, อ น, นุ์อ น, นุ์เอ๋ยเธออย่าล่องให้เลยเธอได้มาปฏิบัติเราไม่หวังเอาลาบอายศอะไรเธอเป็นผู้มีกุญแล้วตอนนี้ไปสามเดือนเธอจะได้สาเร็จเป็นพระทหาร ทำทั้งหลายเราเกล่าวดีแล้วไม่มีที่ซอนเล่นเลยทำคำสอนของเรานั่นเองจะเป็นศาสตราของท่านทั้งหลายเธออย่าทับประมาทสังขารไม่เที่ยงจงพิจารณาทำประโยชน์จนล้วประโยชน์ท่านให้ถึงความความเรียวามไม่ประมาเ ถ, ถิเธออย่าเป็นผู้เสียใจเลยเธอเป็นผู้มีบุญแล้วเรียวกว่าเทพปรอบยูนเทศวิธีถามย่อนคือเทศอะไรถามย่อนทําไมพระบรมศาสตาไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจหรือถามหาโอบายเพื่อจะให้ลูกน้องสอนตนหรือไม่ไม่ไม่จะเป็นอย่างนั้นวิธีถามย่อนเทศชนะถามย่อนคื อ, อยังไงคือพวกปัญญบัคีสิงได้ไม่ที่อย่างนนั่นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันจะขันไม่ใช่ตัวตนที่แรกประเทศยอ่อมันจะขันไม่ใช่ตัวตนที่นี่พวกเราไม่เข้าใจ ถ้าประชัถ้าปัญญาขันเป็นตัวตนแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่ออาพาธก็ต้องต้องได้ตามปาร์นาเทศที่แรกที่นี่พวกน่านไม่เข้าใจเรียกว่าจะเทศคำเดียวปัญญาขันไม่ใช่ตัวตนพวกนั้นฟังไม่ออกที่นก็ถามเลยว่าสิ่งไดไม่เที่ยงสิ่งนั่นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราเป็นทุกข์พระเจ้าค่า ถามเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจชัดสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วจะมายืนยันว่าเราว่าเขาว่าสาระบุคคลมันจะสมควรไหมไม่สมควรพระเจ้าข้าจึงมาขยายรูปอดีตรูปอนาคตรูปปัจจุบันที่ใกล้ที่ไกลที่อยาบที่ละเอียดที่ประณีตก็เ ป, ป็นทศักรรูปเ ป, ป็นทศเวทนาสัญญาสังข า, ารสัญญาเรียกว่าวิธีย้อนถามหนึ่งเทววิธีลักหนีเทศยังไง เอาชี้เท่านี้พระบรม ศ, ศาสดาฉลาเทศนาในวิธีเรื่องพระแตกกันในเมืองโกสัมพีเทศแบบนี้เข้าป่าไปเลยทำไ ม, ไมจึงไม่จึงไม่อธิบายในที่นั้นเพราะเห็นว่าเป็นอาัติเล็กน้อยเป็นอาบัตทุกกฎแตกกันเรื่อง เอาน้ามหลือไว้คนเป็นจริงเป็นอาบัตทุกกฎทั้งสองทางคนหนึ่งโจลดอาบัตไม่ขออนุญาตคนหนึ่งเอาน้าเหลือไว่อย่างนั้นก็เป็นอาบัตทุกกฎทั้งสองทางไม่ลงกันไม่ลงกันเพราะบรุศาสดาก็เลยหนีพระกุรมศาสดรามาเดี๋นี้ด้วยคนก็งู้ก้าเรานี่ไปแล้ว เขาจะไม่ใส่บาตรให้กินเพรานั่นจะเห็นโทษเกณฑ์เองกันเองแล้วจะมายอมกันเองแลอวจะได้บัญญัติเรียกทินนวัตสาระกาวินยัยวิธีนะครับอัิกริยพระบรมษาสตระดามองเห็นแล้วเหต น, นั่นจึงหนีไปไม่ได้หนีไปด้วยแบบโง่งๆแล้วพวกนั้นมายอมกันแล้วต่างคนก็ต่างมายอมกันเลียกเรียกทินนวัตสาระกาวินยัยแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติก็สาเร็จประหาดนั้นเรียกว่าเทศนาแบบแบบวิธีหนีไม่ช่วด้วย พอเห็นพระบรมศาสตรานี้เขาเขไาม่ใส่บาตราะพวกนัานกินพวกนี้หัวดือ้อพระบรมศาสตราที่เราไม่ฟังแตกไปอยู่ป่าอะไรมันเรื่องย่ออธิบายย่อที่สุดอันนี้แต่ถ้าจะอธิบายมันก็ยื ด, ย, ดยาวใครต้องการพิจ า, ารณาก็จงไปดูธรรมบทเถิดธรรมบทก็คือบทแหงธรรมธรรมบาตก็คือบาปาทะบาแถงรรมรมบทก็บทแงธรรม ลมหายใจเข้าข้างหนึ่งฉันโลกรอบหนึ่งแล้ว เ, เว้นไว้จะไม่ท้องการมีทั้งความเกิดความดับแปลปวนและแต่สล า, ายไปมีทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาสัพยุติกันอยู่ด้วยอนิจจังไม่ใช่ว่าทุกขังอยู่ที่หนึ่งอนิจจังอยู่ที่หนึ่งอนัตตาอยู่ที่หนึ่งคนนะมมโลกก็ไม่ถูกมันก็สัพยุติกันอยู่ในที่นั้นเป็นขณะคิดเห็นต่างหา ผู้ตายคาภาวนาไปเห็นดวงแก้วไปเกิดที่ไหนไปเกิดพรหมโรค ก, ก็มีเข้าสู่พญพาลก็มีถ้ายังไม่มียาว่าตนรุดพ้นจากเกิเลททั้งปวงกขไปเกิดพรหมโรคเพราะเหนี่ยวรูปเป็นอารมณ์ตายคารูปดองแก้ว ถ้าเห็นว่าดวงแก้วนั้นอยู่ใต้อำนาจในสินจงงทุกครั้งอัตตาก็เบื่อหน่ายความลงของตนที่แล้วมายึดไปถือสิ่งใดๆในโลกก็ไปสู่พระนานตรงตอบ อ, อย่างนั้นแต่กำลังเถียงกันอยู่ทุกวันนี้เราไปอ่านเห็นเราไปอ่านเห็นธรรมจักสุสสำนักหนึ่งก็บอกว่าพญานาคเป็นอัตตา แต่เทระธรรมาคมของฝ่ายส่วนมากก็บอกว่าเป็นอนัตตาพระเทพานเป็นอั ต, ตาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตวเ์เป็นบุคคลผมเข้าใจว่าพระเทพานก็ดีสังขารก็ดีไม่ได้ยืนยันว่าตนเป็นอน ต, ตาอนัตตา ถ้าไเกิดไฟดับก็ดีถ้าไฟไม่เกิดไม่ดับก็ดีก็ไม่ได้ยืนยันว่าตนเป็นอัตตาอนัตตาแต่ความเป็นจริงแล้วสเพธธรมาอนัตตา<ม>องค์สมเด็จพระมหาสมณเจ้าอธิบายไว้ชัดแล้วสเพธธรมาอนัตตาติ่ห ม, มายถึงทำทั้งปวงด้วยสเพธธรมาอนัตตาติหมายถึงทำทั้งปวงพระเนรพลก็เป็นอนัตตาด้วย ถ้าเราจะถามยอดเข้าไปเอกว่าใครเป็นเจ้าของพระเนรพลใครเป็นผู้ผูกขาดพระเนรพลไว้ใครเป็นผู้ผูกขาดสังขารเราเป็นสังขารของเราคนเดียวใครผูกขาดรับพระเนรพาลเป็นพระเนรพลเราคนเดียวมันก็ไม่พ้นสัพเพธรรมาอนัตตานั่นเองแต่อนัตตาในทางพุทธศาสนามันก็แยกออกเป็นสองทางอนัตตาฝ่ายเกิดฝ่ายดับอนัตตาฝ่ายไม่เกิดไม่ดับจึงว่าสัพเพธรรมาอนัตตาติ ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาดังนี้เพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของทํา่ายเกิดฝ่ายดับก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของทําฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเห็นนั่นจึงว่าสัพเพธรรมาอนัตตาติเพราะอนัตตาธรรมในทางพุทธศาสนามันลึกกว่าเพื่อนคลิกกว่าศาสนาอื่นๆด้านสมาธิสมาบัตรก็เนโรสมาบัตรลึกกว่าเพื่อนลึกกว่าศาสนาอื่นด้านปัญญาก็อนัตตาธรรม รึกกว่าพวกนั้นพวกนั้นพิจารณาเห็นแต่อานิจจังกับทุกขังเท่านั้นด้านปัญญาด้า น, นสมาธิกัเพียงเนวัานาสัญญ า, า ญ, ญาตนะเท่านั้นเพราะไม่สามารถจะเบื่อหน่ายคายลงเพราะไม่เห็นอนัตตาชัดเพราะมีมานะทิฏฐิอยู่อ้าวถ้าอย่างนั้นมานะทิฏฐิในส่วนนี้ไม่เห็นอนัตตาชัด ก็พระอนาคามียังไม่เห็นอนัตตาชัดใช่ไหมเห็นอนัตตาหยาบๆเท่นั้นอนัตตาละเอียดไม่เห็นเห็นเท่านั้นจึงสําคัญว่าเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญอเอเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวเล็กกว่าเขาสําคัญถูกแล้วมันก็ยังเป็นกิเลสเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวเสมอเขานี่เป็นวิชาถอมตนเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวเล็กกว่าเขานี่ก็ถอมตน ก็ยังเป็นกิเลสหนักเพราะถือตนถือตัวเป็นผู้เสมอเขาสําคันตัวแร็กว่าเขาอันนี้เยอะยิ่งสมควรอยู่สมควรจะเป็นกิเลสเป็นผู้แรกก็อ๋อเป็นผู้เสมอเขาสําคันตัวแร็กว่าเขานี่เยอะยิ่งเป็นผู้เสมอเขาสําคันตัวว่าเสมอเขาก็สทำก็ําคัญตัวถูกแร้วทำไมจึงเป็นกิเลสก็เป็นกิเลสอยู่เป็นผู้พูดเสมอเขาสําคัญตัวว่าเร็วกว่าเขาอันนี่ทรมทนทีนี่เป็นผู้แรกกว่าเขาสําคันตัวแร็กว่าเขานี้เยอะยิ่ง สมเหตุผลที่เป็นกิเลสเป็นผู้แลวกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาอันนี้ก็เยอะยิ่งเป็นผู้เดวกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลวกว่าเขานั่นเมื่อก่อนสำคัญถูกแล้วทาไมจึงเป็นกิเลสก็เพราะสําคัญตัวอัตวาทุกปารานนั่นเองอัตวาทุกปาร า, านถ้าใครครบแตกแล้วทิฏฐุ ป, ปาทานชิตพัตุปราทานมันก็แตกกระเจิงไปแล้วที่นั้นโยคะสีอาสวะสีความนั้นกัน มีปัญหาสอนเข้ามาว่าอะไรก็อะไรก็อนัตตาอนัตต า, ากินข้าวข้าเย็นก็อนัตตาสร้างมัน ก, ก็แล้กกันไปทำเพีก็อนัตตาซะไม่ใช่สามไม่ใช่บวกกลอันนั้นมันมีไม่มีขอบเขตตอบให้มีขอบเขตอนัตตาทุกกับชาวมุสิไทยเป็นอนัตตาที่ควรกำหนดรูปอนัตตามากกับเนโรดเป็นของควรทำให้เกิดถ้มีแล้วทำให้แก้งมันก็หมดเรื่องกันแั้น อันตาบาปเป็นอันตาที่ควรเว้นอันตาบุญเป็นอันตาที่ควรเจริญอันตามโหฬารพนิพพานเป็นควรทําให้เกิดให้มีและให้แก้งไปสักไม่ก็เป็เรื่องกันใครเป็นผู้เสวยพระนิพพานก็พรนิพพานเท่านั้นเสวยพระนิพพานไม่เป็นหน้าที่ของสังขารจะไปก้าวไายใครเป็นผู้เสวยสังขาร ก็สังขารเท่านั้นและกองทุกเท่านั้นสวยสังขารใครกันผู้พู ด, พดก็กายสังขารบางีสังขารจิตตัสสังขารพูดจะฟังอยู่เดี๋ยวนี้พระเนรพลไม่ได้มาพูดด้วยฟังด้วยใช่ไหมนั่นมีผู้ทําลายพระพุทธศาสนาได้หรือไม่แล้วก็จะถามย่อนอีกมีกองทัพน้าลายบ้วนขึ้นฟ้าได้หรือไม่ มดไตรโกรกธาตเนี่ยตั้งหน้ากันมาบวนน้าลายขึ้นฟ้าจะชนะฟ้าไหมถ้าไม่ชนะฟ้าน้าลายจะไปไหนมันก็ตกสายหน้าของใครของมันใช่ไหมอืแล้วจะสามยอดเข้าไปเอกว่าลมพัดมาตึงตึงตึงตึงตึ ง, ต ง, ต ง, ต ง, ตงมีกองทัพกําฝุน่นโตลมมันชนะลมไหมมันก็ราตาเขาใครของมันใช่ไหม ถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันเราเชื่อพระพุทธศาสนาอยู่ทุกวันนี่พระกรรมและผลของกรรมมีอยู่ไม่ยุดหย่อนผ่อนฟันเลยทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วเต็มภูมิเลยไม่มีใครขีดกันไว้ได้พระพุทธศาสนาล่วงไปท่านั้านตอนนี้กรรมและผลของกรรมไม่มีมันก็เป็นสถานหนึ่งมันมีอยู่ แต่กบกับงูมันไม่รู้จักบวชบา บ, บุญคุณโทษเลยมึงตายเป็นงูกูก็ตายเป็นกบมึงตายเป็นกบกูก็ตายเป็นงูมึงตายเป็นแมวกูก็ตายเป็นเสือเขาไม่รู้จักบาปบุญเลยนั่ น, นผลของกรรมก็ยังมีอยู่แต่ไม่มีเจตนาก็ยังมีอยู่ผลของกรรมผลกรรมที่ไม่เกิดไม่มีเจตนาก็ยังมีอยู่ถ้าเอเนร์สักไม่โยมคนหนึ่งก็สักไม่เท่าเข้าไปถือศีลไปมันไปถูกหอบกบตาย ในข้างพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพอมาบวชในศาสนาพระธมเจ้าพรพุรพทธเจ้าของเราเขาเขากระพุ่งห อ, อกขก้อร็กโดยไม่มีเจตนาก็าไปถูกท่านที่เดินจงกรมอยู่นั่นสิ้นลมปราณเลยท่านก็ภาวนาถึงพระอรหันต์ขึ้นกองทุกนั่นนี่พวกที่ไม่มีเจตนาทำบาที่ไม่มีเจตนาก็เป็นเวรเป็นภัยอยู่เหมือนกันนั่นเวเรหิเวมันก็ไปแลกกันที่ชาติ เป็นพระหรัต์เคลนดพระโมคลาก็เหมือนกันคัดเพราะท่านเป็นอหัวชิกรรมแล้วเว้นของมาดาตามมาถึงท่านเขาฆ่าท่านขั้งที่สามท่านก็ลอยสิ้นลมปรานเข้าสู่พระ涅槃ไปก็เพราะเว้นที่ทําให้มามานาเวรานทําให้มาณาตามมาถึงตามมาถึงมันก็มามาถึงแต่เรือนร่างเพราะอุปทานของท่านไม่มีมันก็เป็นโอหัวชิกกรรมไปแล้วแต่พวกเราที่ยังไม่พ้นมันตามมามันก็มาถึง ได้ทั้งนังทั้งเขาไปเลยูกวร์ว่ น, นั่นโจ์ก็ตามจำเลยก็ตามก็มีแต่โจทย์ทับเลยจำเลยเท่านั้นจะรู้จักกันคนอื่นก็อาศัยรักเหตุผลเป็นเครื่องตัดสินเข้าใจไหมเออ จำเลยทำผิดจำเลยก็รู้อยู่โจดทำผิดโจดก็รู้อยู่โจดไม่ทำผิดโจดก็รู้อยู่ก็ไม่สําคัญผลของกรรมยังมีอยู่ผลของกรรมย่อตามสนองพูดทําดีผลของกรรมก็กีดขวางไว้ไม่ได้พู้ทําชั่วผลของกรรมก็กีดขวางไว้ไม่ได้ต้องได้รับผลตามส่วนคนข่าของเหตุที่ทําขึ้นเออผมเชื่อมากเชื่อคแล้วผลของกรรม ผมไปยิงนกแต่อายุห้าิบห้าปียิงได้ก้อนเป่าเลยปุ๊ดไปนกเขาได้นกเขาตัวหนึ่งพอจับนกมันตกลงมาตกลงมาผมก็ถอดลูกก้อนเ ป, าเป่าออกกก็กสองขานันก็กกกเลยตายเลยมึงเถอะมึงเถอะกูจะทำอะไรผิดหัวมึงมึงจึงมายิงกูกูจะผูกเวรมึงมันจะว่ายอย่างนั้นเขาไม่ทราบ ก็ ก, ก็สองคำแล้วก็เลยตายแล้วก็ไม่อยากกินมันเชียเลยเออ <c oughs> นกเขาตัวนี้กูก็ได้มึงเกิดมาชาตินี้ก็ได้นกเขานกเขาตัวเดียวท่านะแต่อายุสิบห้าปีพอมาถึงสองพันห้าร้อยก่ระเบิดขึ้นเนี่ยโรคสูงโรคหัวใจใจตีบส่งเลือดไม่ทันหากบได้หากบได้ ก, ก็ผูกเอวมันหิ้วไป ถูกแอ่วมันเหี้ยไปพอถึงเวลากดทุบหัวแล้วก็ปิ้งพอปิ้งแล้วก็ชอบกินตับมันชอบกิน arc. พุงมันทุงกบเวลาแล้วดูแล่งมันไม่ไม่ไม่มีไส่ไส่เดือนมันไม่สกรปรกกินกินก่อนเขาละ่ะอก่อนหมูเขาละ่ะไปเรื่องโคนี่เดีย๋ยวนี้เป็นถุงดาดีนั่นทุงดาดีเป็นนิ้ยนี่นยังไม่หา น, น, นี่นี่นี่นนนั่นน่ะนั่นนเห็นเห็นเห็นแล้วทําไม่ดีก็เห็นแล้วในชาตินี้ สิ่งนี้ทำไมในชาติที่ผมเห็นหมดสิ่งนี้ผมจําดีในชาติที่ผมเคยเห็นหมดเนี่ยเหตุฉะนั้นผมจึงเชื่อกรรมและผลของกรรมลงสนิทเลยผู้ใดไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมจะว่าผู้นั้นมีดวงตาเห็นธรรมหรือจะว่าผู้นั้นย่อมถึงใจชนะผมผมก็ไม่รับรองภูมิของภพภูมิของผู้ถึงใจชนาผมถึงผมมาจรรันทร์เบื้องต้น จะปวดร่างพรรษากาะตามจะภาวนาจะอ้าปากกินลมเหมือนุมพูกะกาตามจะย่างกิเลสเหมือนไอคุบกาตามร่างพัรษากาตามถ้าส่งเสริมอบายยมุกถ้าเสีไดายอยากจะถือศรราสตร์ดาอื่นอยู่ส่งเสริมอบายยมุกอยู่หรือเสียดายร่วงล้วว่าเสีนหน้าอยู่ผมก็ตีความหมว่ามันไม่ใช่ ขอมจารย์เบื้องต้นของพรนะพุทธศาสนาเมื่อไม่ใช่ขอมจารย์เบื้องต้นของพรนะพุทธศาสนาแล้วจะเอาอุชุยายะสามีจิตมาจากประตูใดละ่ะเขาเรียกว่าบารมียังอ่อนอยู่ใครจะทําผิดสักเพียงใดก็ตา ม, ตามจะภาวนาจะอ้าปา ก, กินลมเหมือนชุมพูกะก็ตา ม, ตามจะย่างกิเลสเหมือนไอคุกกะตามร้านพัดสาก็ตามถ้าส่งเสริมอบายมุก ถ้าเชื้อได้อยากจะถือศาสดาอื่นอยู่ส่งเสริมอบายามุกอยู่หรือเชื้อไดร่วงระวัดเสนาอยู่ผมก็ตีความหมายว่ามันไม่ใช่พรมอาจารย์เบื้องต้นของพุทธศาสนาเมื่อไม่ใช่พรมาจารย์เบื้องต้นของพุทธศาสนาเนี่ยจะเอาอุชุยายะสามีจิตมาจากประตูดใดละ่ะเขาเรียกว่าบารมียังอ่อนอยู่ใครจะทําผิดสักเพียงใดก็ตามจะเป็นปาราชิกหมด ทั้งโลกก็ตามผมว่าพระพุทธศาสนาก็ยังอยู่อริยสัจสีพระบรมศาราตัพสรู้แล้วสร้างบารมีแล้วก็โผล่ออกมาเป็นพระพุทธศัตนาเป็นพระารรมพุทธตเจ้าเลยไม่มีใครกีดขวางได้ในทางธรรมีในทางทางํท า, ทาชั่วคารกรรมพระสุภพุทธนันทามานบ ที่นี่นี่ยค้ับนันทำมาเนก็อาะวะวาดกระกแล้วก็นางกินจิแล้วก็ใครอีกเดี๋ยวพระเจ้าออชาติศัตูใครไปห้ามนรกทันไว้ได้น่มันก็ลงอยู่เดี๋ยวเนี่ยนั่นนั่น พระสวัสวันสักคาคามียนาคาเมียใครไปห้ามไว้ได้เพราะท่านสาเร็จท่าก็โพมาดอกบัวสีเดาใครห้ามไว้ได้ดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกตูมก็ตูมเต็มภูม okay. ิดอกเสมอหน้ําก็เสมอน้ําเต็มภูมิดอกใต้หน้าก็ใต้หน้าเต็มภูมิทุกวันนี้มีหรือไม่ดอกบัวสีเดามันก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาของโลกใครหรอไม่นั่นบางคนบอกว่าศาสนาหมดแล้วศาสนาหมดแล้วมันหมดไปไหนมันก็หมด แต่เราผู้หม่แต่แต่เราผู้ไม่ปฏิบัติผู้เขาปฏิบัติอยู่มันจะหมดไปไหนนั่นถูกไหมเราไม่ปฏิบัติมันก็หมดสิผู้เขาปฏิบัติอยู่มันก็ไม่หมดของเขานั่นไม่ว่าแต่ทานั้นจนถึงสูนย์จะกลับเราพระพุทธศาสนาะก็ยังไม่หมดก็ยังมีพระพุทธเจ้ามาต่อกันอีกอย่างสบายเลยเป็นพรบอันเดียวกันไม่ลบล่างพรบกันเลยเหตุนั้นชาวโลก ตังกฎหมายกฎหมูกฎทักกฎพวกขึ้นไม่มองดูคําสอนพระพุทธศาสนาะมันก็ไปไม่ก็ทําทเป็นโกกรคบาลคุ้มครองโรคสองอยาเพราะเายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้ไม่ใช่ลูกระเบิดปรมานูลูกระเบิดนิวเคลียร์นิวเคลืออะไรก็มีแต่เวนสนองเวนไพสนองไพเท่านั้นนนนั่ น, น, น, น, นไม่หวั่นไหวเลย สิ่งของสิงที่ดีเราไม่ส่งเสริมว่าดีก็เรียกว่าเรามีอคติทั้งสี่อคติทั้งสีไม่มีในพุทธศาสนาะของดีเราไปว่าไม่ดีมันก็ไม่ถูกของไม่ดีเราไปว่าดีมันก็ไม่ถูกชั้นทาคติลำเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกชั้นทาคติลำเอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทสาคติลำเอียงพเพราะเคารพเรียกโมหาคติ น้ำเอียงเพราะกลัวเรียกพยาคติอคติสี่ประการนี้ไม่ควรประพฤติในพุทธศาสนาเลยนําเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกชันทาคติคือยังไง ร, รักมันมันจะทำผิดสักเพียงไหนก็อุ้มมันไว้นี่รักนําเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกชั้นทาคตินําเอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทสะคติคือยังไงมันจะพูดมีเหตุมีผลสักเพียงไหนก็มาให้คะแนนมันเพราะรังเกียจมันมันจะพูดดีสักเพียงไหนก็มาให้คะแนนมันเพราะรังเกียจมันนําเอียงเพราะเขาเรียกโมหาคติคือยังไง คือขบอธิกรณ์ในเรื่องนั้นไม่แตกหรือขบธรรมะพระพุทธศาสนาไม่แตกก็เลยไม่เลื่อมใสใพระพุทธศาสนาแล้วเอียงเพราะกลัวเดียพยาคติคื อ, อยังไงกลัวที่มืดของมันมันจะทําผิดสักเพียงในก็ตามเพราะกลัวมืดของมันเพราะเกรงมันจะมาฆ่าทิ้งเนี่ว่าพยาคติพยาตัวนี้เป็นคงจะเป็นตัวพอทําเพา พยาคติคงคงเป็นภัยคงอยากมาภัยเพราะเก่งว่าจะเป็นภัยแก่ตัวมันจะทำผิดจะเพียงใดก็ตามปล่อยให้มันทำผิดเพราะกลัวอิทธิพลของมันน้ำเอียงอคติสีประการนี่ไม่มีในพุทธศาสนาเลยเอาการแพร่การชนะพระพุทธมีในทางพุทธศาสนาหรือไม่ พระพุทธศาสนาสอนว่าแพ้ก็แพ้กิเลส ข, ของตนชนะก็ชนะกิเลส ข, ของตนแพ้ทางอื่นไม่มีในทางพุทธศาสนามีปัญหาสอนเข้ามาว่าทําไมพระพุทธศาสนาพระบรมศาสด า, ศ า, ศาทุกๆพระองค์จึงลงเกิดประเทศอินเดียสร้างบารมีก็สร้างอยู่ที่นั่นมากลงเกิดประเทศอินเดียเป็นส่วนมากตั้งกับก็ตั้งนั่นขึ้นก่อน ทุนจะกลับเวลาแผ่นดินจะสิ้นแต่ะละกับระกับก็สิ้นที่นั่นทีหลังหนูเราไม่สงสัยคําสอนพรพุทธศาสนาเลยแม้แต่นิดเดียวใครจะรู้ดีรู้เด็ดจตะเพียงไหนมาขอตามจะปารบด้วยนำไหลไฟดับตะเพียงในขอตามก็เอาออกมาจากคําสอนใระพุทธศาสนาต่างนั้นผิดกันแต่ว่าทางตรงและทางอ้อมเท่านั้น สิ่งไหนที่พระบรมศาสดายังไม่เทศไม่มีเลยจึงยืนยันว่าสัังสัพพยำพลันนงเกวราปริพุนังปริสุทธทางพรมจรียังประกาศเสียสิไม่ไดุ้ญแล้วทางอัตถะทางพยัญชนะธํรมะขมกบันตังปูติยามีสมาหมกบันตังทิฏษฐานสมาวิจึงยอมกราบว่า้ทำมังกรเหมือนกันสั้งคันไม่ได้กราบไหว้เหมือนโมโงไมไม่ไม่ไม่ได้กราบละาหว้งงบวแบบโมงโงเพราะไม่เห็นไม่ผลพอแล้ว ใครจะนับถือทำ ไ, ไมนับถือก็ตามมดโลอกแล้วไม่มีใครนับถือเราก็จะนับถือคนเดียวแล้วมาสงสัยนนพุทธศาสนาเลยเมืท่านก็บอกว่าลุกปู่ลุกปู่ลุกปู่ทำวัดหลวหลาแท้จะไม่เป็นเปรตมาเฝ้านี่หรือไงหลงหมดเีย อ, อ้ข้างพุทธการ อาณาถาพื้นที่เกษตรฐีเขาสร้างกระเป๋าเดียวชีพทิพากูดจะแปลภาษาอะไรนี่คุณนี่มีคนสร้างคนเดียวชีพทิพากูดไหมในสมัยโกปัจจุบันของเราเนี่ยกระเป๋าเดียวอาณาถาเป็นที่เกษตรฐีสร้างวัดป่าก่อนเพื่อนชีพทิพากูดเอาชิปไปคูณรูรูชิปรามยังไปโกดชิปสี่สี่สิบชิปห้าห้ิป ชิปสี่สี่สิบสี้าโกดนสีสิบห้าโกดชิปห้าห้าิอชิห้าห้าชิทดห้าอ๋อชิสี่สี่ชิเป็นชิป้าร้อยห้าชิ้านอมีไหนมีกระเป๋าที่ไหนเขาไปสร้างกันทุกวันนี่ก็มีแต่แผ่แต่ขอกันจนจะตายแต่เราไม่ได้แผ่ได้ขอดอกนางวิสาขาที่นี่นางวินางวิสาขาก็สร้างชิปเก้าโกด สร้างบุพพารามทางนี้บ9ก้าโกรอนณาถาเป็นที่กเกษตรที่สร้างทางนี้เมืองสางวัตถีอยู่ทางทิศตวะวันตกสร้างทางนี้นี่ก็สร้างทางนี้บุพาราม19ก้าโกรใน่ใโลกกระทา สังขารนี่มาทรัพย์ก็ดีอสังขารนี่มาทรัพย์ก็ดีมันก็เป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาอยู่ในตัวแล้วจะไปภาษาอะไรนับแต่ใจใโรกธาตุาลงมามนุษย์สมบัติสวัสด์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติมันก็เป็นอ่ามนุษย์สมบัติสวัสดสมบัติพรมสมบัติในสมบัติใจโรกธ า, าตุในใจจักรวามันก็เป็นเมืองขึ้นพระนิพพานสมบัติแล้วอยู่ใต้อำนาจอินจรังชใช่ไหม อันก็ต้งมีตั้งหกชั้นจตุมหาราชิกาตาวติงสายามาดุสิตนิมาดาวติะรินิมีตะวะสวัสดีพวกเจริญฌานก็บพ ม, มเปสัตตาผมปริิตามหาผมมาปริตตาภาอัปปมานาภาอัาัตตาปริตตาสุภาอัปปมาน า, าสุภาชุวกินกา迦อาสัญญสัตตาเกิดดับเป็นทั้งนั้น <c oughs> เกิดดับเป็นทั้งนั้นทั้งนั้นอยู่ต่อำนาจอันนี้จัง วิหารอัตตาชุติสาชุติศีอคันิตกาเกิดดับเป็นทั้งนั้นเว้นพระนิพพานซ ะ, อะมอเห็นอันนิจจังชัดแล้วจะไปพูดเรื่องโรคอะไรชัดในในลกล้วนอยู่ใต้อาอนาจอานิจจังในในโลกล้วนอยู่ใต้อาํานาทุกขังอรรตาเนี่ยอย่าไปสงสัยในนะทั้งอดีต น, นาทั้คดทังปัจจุบันด้วยถ้าเห็นใจรักชัดแล้ว โรคทั้งหลายจะมาพูดทําไมมันก็เกิ ie, ดกขึ้นแล้วแพร่ัวนี่แต่แพร่รายไปสําคัญได้เกิดขึ้นในอดีตสังขารอันดับในอดีตสังขารได้เกิดในอนาคตสังขารอันดับในอนาคตสังขารได้เกิดในปัจจุบันสังขารอันดับในปัจจุบันคําพูดใดที่พูดในปัจจุบันก็ล่วงไปในปัจจุบันดับไปในปัจจุบันพูดไปอีกก็ติดต่อไปอีกใช่ไหมนั่นนึกคิดก็เหมือนกันนั่นนั่นนันี่นนนนนสังขารฝ่ า, ฝายไหน หายใจเข้าเขาล่องไปแล้วหายใจออกเขาล่องไปแล้วนั่นนั่นนนึกขึ้นแล้วเขาล่องไปแล้วเอานั่นนัพูดไปแล้วเขาล่องไปแล้วนั่นนั่นนั่นั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ใจของผู้ฟังและผู้พูดใช่ไหมนั่นเพราะนี่พานไม่ได้มานั่นด้วยไม่ได้มานี่ด้วยนั่นบ้าอารมณ์ก็พวกสังหารจะกองทุกขานั้นนั่นอืพวกกิเลท่านั้นบ้าอารมณ์ เหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงไม่ติดอยู่ในที่ใดทั้งสิ้นเรารู้อดีตทาไปจริงของอดีตเรารู้อนาคตทำไปจริงของอนาคตเรารูกปัจจุบันทำไจริงของปัจจุบันแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่นทั้งสามเรารูกพระนิพพานทำไปจริงของพระนิพพานเราลูกสังขารทาไปจริงของสังขารแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่นทั้งสองถ้าเราติดอยู่ในสังขารก็ที่ยกว่าเราไม่รู้สังขานถ้าเราติดอยู่ในพรนิพพานก็ทียกว่าเราไม่รู้พระนิพพานที่ยืนยันนะพระบรมศาสดาเสวยยิ้มวิตถึก อยู่ที่นั้นอยู่ที่นี่เก็บวันแห่งและเก็บวันเก็บ เ, เป็นสี่เจกวันนั้นก็สมมติกันเป็นพุคธ า, าทิฐานเฉยๆไอ้ที่แท้พระบรมสา ร, รี ร, ราสาําคัญตัวอยู่ในที่ใดใครจะไปรู้ได้เพราะเป็นพุทธวิสัยเช่นพระอนุรุทธะตามพระบรมสา ร, รี ร, ร, ร, ร, ราเข้าในรถชมาบัตได้ก็ตามได้เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นจะไปตามได้ทุกวิธีทางก็ม้มาได้อืมเช่นทรงสนะเสนาพระมหาสารีบุตร เป็นผู้มีปัญญามากแต่ก็ไม่เชี่ยวพระบรมศาสนาใช่ไหมเช่นชนทรงสนเสริญว่าพระนุรัต t h เข้าฌานทันพระบรมศาสนาแต่ก็ไม่เชี่ยวพระบรมศาสนายใช่เออไหมเช่นทรงสนเสริญว่าพระอานนุนเป็นผู้จําพระมูตรได้แต่ก็ไม่เชี่ยวพระบรมศาสนาใช่าชาะะไห ม, พร ะ, ะร ม, ม, ไมพระอะไร ที่มีลาบ ม, มากพระอะไรพี่ลาบพระชีวดีมีลาบ ม, มากแต่ก็ไม่เสี่ยวพระบรมศาสีรัยใช่ไหมพระโมกคลามีไ ด, ด้เดชมากแต่ก็ไม่เสี่ยวพระบรมศาสีรัยใช่ไหมถ้ายังจะประเทียมถึงพระบรมศาสีาที่พระรมศารีรัยเนกันว่าเป็นสยามภู mm hmm. เหนือโลกทัางปวงก็เป็นโมคะใช่ไหมแต่รถที่ไม่เกิดไม่ดับ รถพันยาพาลเป็นอันเดียวกันเออทีนี่พระพุทธศาสนาสอนว่าให้ลําเอียงลําเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกชันทากติลเองอมลาเอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทสากติลําเอียงเพราะเขาเรียกโมหากติลําเอียงเพราะกลัวเรียกพยาคติแล้วคติสี่ประการ น, นี้ไม่มีในพระพุทธศาสนาเลยลาเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกชันทากติคื อ, อยังไงว่างาอธิบายพอสังเขตด้วย รักมันมันจะทําผิดจากเพียงไหนก็ตามปกป้องมันไว้อยากว่าฉันทากติน้ำเอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทสากติคื อ, อยังไงคือรังเกยียร์ตัพุทธศาสนาไม่ให้คะแนนเลยน้ำเอียงเพวกเขาเรียกโมหาคติคื อ, อยังไงคือขบพระพุทธศาสนาไม่แตกเรียกว่าเขาโมหากติน้ำเอียงเพรากลัวเรียกพยาคติคื อ, อยังไง จะยกย่องเพราะพุทธศาสนาก็กลัวจะกระทบกระเทือนรัฐที่อื่นอันนี้ก็ยกพยากติเหมือนกันอคติสี่ประการนี้ไม่ควรประพฤติพระบรมศาลายืนยันในสิ่งที่ควรยืนยันไม่เป็นอุปาทานคำว่าอุปท า, านยืนยันในสิ่งที่ไม่ควรยืนยันเช่นพระบรมศาลายืนยันว่า พใหม่ของเราไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ยืนยันตามเป็นจริงก็ไม่เป็นอุป sa ท, ทานอยมาชาตินัตถิธาเนี่ยปวนับภูติพบใหม่ของเราไม่มีแล้วยืนยันตามเป็นจริงไม่เป็นอุปทานไม่เป็นทิฏฐุไม่เป็นอัตวาทุปาทานไม่เป็นทิฏฐุปาทานไม่เป็นอัตวาทุปาทานไม่เป็นกามุปาทานชนะอัตวาทุปาทานชนะอัตวาทุปาทานเนี่ยชนะ ขี้เ่ทั้งปวงเลยผู้ใดพอใจพิจารณาอนัตตาธรรมผู้นั้นบา ร, รมีแก่กล้ามาแล้วเช่นพระโมคขัลลาธพระบรมศาสตรบดาบอกพิจารณาอนัตตาธรร ม, มเท่านั้นฉันยักโตโรโกอเวขัดสุ เธอจงพิจารณาโลกเป็นของศูนย์ถืออ้อนอัตานุทิถิความเห็นว่าตนซะพอจบคําเทศโมกขาราศก็สําเร็จพระรหารพระบาลมีแก่กล้ามาแล้วพระพาชยะพอจบคําเทศก็สําเร็จพระรหารเป็นจตสักวารูปเป็นแสักวาเห็นได้ครับพอแล้วนะแต่ฉานเอาไปจะทำให้ซาส่ทําไมจึงเป็นอย่างนั้นพระบาลเมียแก่กล้ามาแล้วดอกบัวกระจบาลอยู่ พอแสงพระอาทิตย์มาโผล่ออกมาพอบานเลยน่ะนะนะทําจแร้บทระบาดส่งต่อพขาเนียพาหมดมันขึ้นอยู่กับบารมีแขก้ามาแล้วหรือไม่เท่านั้นเอา้าใครเรียนน้โมจบพระทหารเรียนน้โมจบน้โมแปลว่านอ้นอมน้อมน้อมจะไม่มีกิเลสพระทหารไม่มีโรคไม่โกรธไม่หลงไม่มีชาติไม่พบแยกวันเรียนน้โมจบ นโมบางต้นพระสวัสดิบาลนอบนอมตามก่อนนั่นลงมานโมเลขนโมผานโมบัตนโมเบอใช่ไมนั่นนั่นนั่ น, <c oughs> นั่นอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจกับผู้ฟังและผู้พูดใช่ไหมนั่นทําไมจึงว่าเป็นตาสัว่ารู้เป็นตาสักว่าเห็นครับพอแล้วคือไม่ยึดถือผู้รู้ผู้เห็นเราเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบิกกฏไม่มยึดถือว่าเรามีในผู้รู้ผู้เห็นก็ต้องไม่สม ไม่สมมติว่าทำให้ว่างมันว่างเองมันไม่ต้องสมมติสมมติว่าวางมันวางเองเหมือนเราลืมตาขึ้นไม่ต้องสมมติให้สว่างมันไปมันไปเองสว่างเ อ, อ๋ย ไ, ไปซักไปซักมึงกูลืมตามาแล้วมันจะต้องบอกไม่ต้องสมมติว่าปล่อยวางมืดลืมตาออกแล้วมันก็วางเองมัน ที่สมมุติเราปล่อยวางสะปล่อยวางสะจงทําให้ว่างจงทําให้วา่าเอจงทําให้วา่ทวาทําทั้งหลายมันว่างอยู่แล้วจะทําให้ว่างหรือไม่ทาให้ว่างมันก็ว่างอยู่แล้วแต่เมื่รู้ว่ามันก็ว่างเองนะไม่ต้องทํากิริยาว่างอีกแครเป็นขั้งที่สองที่ท่านสมมุติว่าปล่อยวางสักปล่อยวางส ะ, งสะพูดเป็นบุคลาทิษฐานไอ้ที่แท้มันปล่อยวางเองมันทีนี้เราเลืมตาขึ้นเราทําท่าปล่อยวางเมื่อไหร่ไหมนะนะ นั้นทุกส่ทั้งหลายจงเบื่อหน่ายตาหูจมูกเลี้ยกายใจชักไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่บุคคลเบื่อหน่ายตาก็ยังเอาตาดูอยู่เบื่อหน่ายหูก็ยังฟังอยู่เบื่อหน่ายตาหูจมูกเลิ้ยงเบื่อหน่ายผู้ไปหลงว่าตาหูจมูกเลี้ยกายใจเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาจนแกะไม่ได้คลายไม่ออกนั่นเอง นี่ทำชั้นสูงศีลชั้นสูงสมาธิชั้นสูงปัญญาชั้นสูงไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาจะอยู่ในคนละมุมโลกศีลก็อยู่ที่นี่มีเขามีงานอยู่ที่นี่สมาธิก็มีเขามีงานอยู่ที่นี่ปัญญาก็มีเขามีงานอยู่ที่นี้ไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญากลมกลืนกันเลยกลมกลืนกันในปัจจุบันเลยเอาปัจจุบันเป็นพยา สิญธมานที่ปัญญาของพระสวสดิบาลสิญธมานที่ปัญญาของสกกทาคามีสิญสมานที่ของพระอนาคามีสันศิญธมานที่ของพระพ Rathan สิญธมานที่ของพระพ Rathan เป็นมหาศิลจบแล้วอธิศิญสิขาสิกขาคือศิญยิ่งอธิจิตตะสิกขาสิกขาคือจิตยิ่งอธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญายิ่งก็มีอยู่สี่ชั้นยิ่งในพระสวสดาบาลยิ่งในสกกทาคามียิ่งในพระอนาคามียิ่งในพระพ Rathan ยิ่งในพระปัจเจกยิ่งในพระสมาสัมโพธเจ้าจะเอามาเทียบกันไม่ได้ลดหลั่นกัน น, นะถ้าชาวดัมันยิ่งเป็นเอกเทศแต่เป็นโลกกตรัคถ้าจักท า, ามเีเขายิ่งเป็นเอกเทศอีกละหยาบไปกว่านั้นอาณาคามีก็มีอาณาหารยิ่งจบแล้วอาณาหารประเภทใดก็ตามอาณาหารชุกยวปัตโกเตวิโชชาราปิโยปันติสัมพิทัปโตก็ตามนี่ภูมิสาวกอาหันสี่จัมพวกอีกรวมกันอีก สมามาพุฏะอรหันตปฏิเกกุฏะอรหันสาวกสาวิกาอรหันต์เรียกเป็นคำรวมแยกออกแยกประเภทอรหันต์ออกชุกัยปัสโกเจวิชโยจรปิโนปิติสัมปิระปโตนี่ฝ่ายสาวกสาวิกาปัจจุบันพระสวัสดิบัลปัจจุบันสักตาคามีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันพระราล ปัจจุบันพระสัสดิบาลปัจจุบันสักก า, าระมีปัจจุบันพระอน า, าคามีปัจจุบันพระอรหันต์ปัจจุบันพระ ป, ระปฏิเยปัจจุบันพระสมายสัพพิเจ้าจะเอามาเทียบกันไม่ได้เพราะมีละเอียดละออยยิ่งยอนกว่ากันสิ่งเหนนี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะพิชานาฬาทางนั้นมิฉะนั้นแล้วจะสงสัยจะสงสัยปัญหาของตน ถ้าตนในมีจะสงสัยปัญหาของใจตนเป็นคำสมมุติับปฏิเสธไม่ได้ทุกขลโภเป ร, รับพฏิสัทธิขัโธพระมโนบัญญัติบุคคล พ, พระผุคร่ปัญญัติบัญญัติบุคคลเพื่อให้ฟังเข้าใจชัดอ้องพระธหารมีในโลกไหม ที่บรรดาพระหลานมีในโลกท่านนั่นองค์ท่านนี้องค์ข้ามพธการพระหลานผีว่าอะไรจะมาอยู่ในโลกก็พูดกันเป็นบุคลาทิฐาเพื่อให้รู้จักความหมายใช่ไหมจะเอาสมมุติกับวิวุตมาเป็นสงครามกันก็ไม่ถูกสมมุติก็จริงตามสมมุติปรมัตต์ก็จริงตามปรมัตต์ทุ่มเทียงเกี่ยงงอนกันทุกวันนี้นี่บอพระยพานเป็นอัตตาเทียงกันอยู่ แต่เราไม่เถียงกับท่านผู้ใดสัพเพธรรมาอนัตตาติหมายถึงพระานด้วยพระพานเป็นอนัตตาที่ไม่เกิดไม่ดับต่ํากว่านั่นลงมาเป็นอนัตตาเกิดดับมันก็หมดเรื่องกันใครเป็นผู้เสวยพระานก็พระานเท่านั้นเสวยพระานไม่เป็นหน้าที่ของสังขารจะไปก้าวกายใครเสวยสังขารก็เป็นหน้าที่ของสังขารเท่านั้นไม่เป็นหน้าที่ ของพระนเนพานจะวกมาก้าวไกลเองใครพู ด, ดก็สังขารจะกองทุกพูดไม่ใช่พระเนพานใครนึกคิดก็สังขารจะกองทุกพระเนพานมายืนยันว่านึกคิดด้วยใครเป็นผู้สวยพระเนพานก็พระเนพานสวยพระเนพานสังขารก็สวยสังขารใครเป็นเจ้าของพระเนพานใครเป็นเจ้าของสังขารก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเอยเป็นของกลางอยู่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าไม่มาตรัสรูสังขารเมไหมพระเพ์สร้างขาราอนิจจามันมีอยู่พระเพ์สั้งขาราทุกขาพระเพ์ธรรมะอนัตตามีอยู่พระนิพานก็มีอยู่พระพุทธเจ้าไม่มาตรัสรูสพระนิหพานก็มีอยู่ข้าพเจ้าเป็นพระนิพานอยู่ในวงแขนของคนนั่นคนนี้พระนิพานก็มาได้ยืนยันข้าพเจ้านี่แหละเป็นพระนพานเครไม่มาถึงข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะให้มันเกิดแก่เก็บตายอยู่ในวัดตาสงสารพระิพานก็มาได้ว่า แต่ความจริงไม่นี้จากความจริงก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นอันนี้พระบรมศาสต ร, ราลู่ทำเป็นจริงจึงเรียกว่าอนิยตสัจกธรรมข้าพเจ้านี้เองเป็นสังขารถ้าใครไม่มาลู่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะให้มนหลย์ในสังขาราเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอนัตตาเป็นอัตตาอยู่นี่สังขารก็ไม่ได้กล่าวก็เป็นจริงอยู่ สมมติก็เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวั น, วนกลงคืนทําฝ่ายเกิดฝ่ดับก็เป็นจริงอยู่วม่มีกลางวันกลคืนทําฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวั น, วนกลางคืนพูดที่จะรู้จะทําปนจริงหรือไม่รู้จะทำเปจริงมันก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไม่เป็นหน้าที่ของสังขารและวิสังขารจะมารู้และปฏิประทานจะมารู้รอ้าทุกสมมติใจในรดมัก จเจริญทุกแล้วก็จเจริญสมุทยัยแล้วก็จเจริญมัดแล้วก็จเจริญ น, นิโรธอันนั้นมันไม่ถูกอันนั้นพิจารณาทุกเป็นอารมณ์แล้วติดต่ออยู่เป็ น, นเนืองๆแล้วสมุทัยก็บรรเทาลงเองมัด ก, ก็จเจริญไปในตัวนิโรธก็ทําให้แจ้งไปในตัวนะเพราะเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าเหตุก็จัดเข้าในมัดได้ถ้าเป็นเหตุไปในทางลกุตระ พืชถ้าเป็นพืชไปทางโลกุตระก็จัดเข้าในมรดได้เหมือนกันกรรมยิริยาเทธรรมถ้าจัดเป็นโลกุตระกรรมโลกุตระกรรมก็จัดเอาแต่ปัทสวดาบวันเป็นต้นไปก็จัดเข้าเป็นมรดได้เหมือนกันผลกับผลของมรดผลผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมไม่ความหมายอันเดียวกันแต่ก็ไปทางดีทางชีว้วแล้วแต่เหตุกรรมพืชจะสร้างขึ้นส่วนผลไม่ประสงค์ก็ได้รับจางส่วนค้นค่าของเหตุกรรมพืชในทางดีก็เหมือนกันทางขี้ว์ก็เหมือนกัน คน้ม้คนมูคนพักคนพว ก, พกจ้างขึ้นมามองดูพระพุทธศาสนามันก็อไปไม่รอดพราะกรรมแล้วผลของกรรมมันมีพระพุทธศาสนายืนยันแล้วว่าถ้าเป็นโกกรคกาบานคุ้มครองโรคสองอย่างคนละอัต่บาคงกัวต่อบาบเท่านั้นจะคุ้มออครองโรคได้พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็มายืนยันอันเดียวกันมันจะลบล่างพร บ, ร บ, พรบรกันเลยปัญญาทิกะสัตตถทิก ะ, กะวิทยาทิกะก่อตามไม่ได้คัดค้านพรบรกันเลยะ พด่อหน้าท่านหาให้โมโหเนี่ยโมโหไหมท่านมหาเรียนฉีประโยคกต์แล้วไม่ซักประโยคกตดอกแล้วพูดต่อหน้าให้โมโหเมีตาหรือแม่ตายก็ไม่ทราบเลยลูกหลวงปู่เมีตาหรือแม่ตายก็ไม่ทราบ ท่านมหาเป็นคนพูดน้อยเป็นนิสัยพูดน้อยเราท่าอยู่ในข้างพุทธการมันก็กินขี้แพะหมดเท่าคำปั้นเนี่ยคนพูดมากๆข้างพุทธการมีอยู่นายเตีย้ยคนดีกรวดเขาบางรอบอยู่ที่ต้นเสาอเขาปั้นขี้แพะแล้วเขาตากแดดให้แห่เขาไปเก็บไว้ในกระเป๋าหรือในยังไงไม่ทราบใครพูดมากๆ ก็บางต้นเขาแต่ดีขี้แพะใส่ปากมีขี้แพะใส่ปากปุ๊บก็ใส่ปากทีนี้ถ้าจะคายต่อหน้าสังคมก็ละอายก็อมไว้ <c ười> คืนเช่นว่าปกว่าจะพูดแล้วก็มดขี้แพะขนาดนี้นะก็คงจะเป็นเหมือนเรานี่เองเราบ็นคนพูดมากเอวังเอาละที เออยะท้าวณิวะฮาป็นาปิปิปิเลนากังเอวเมวาโตชนังไปตานังุปกปติ มิจิังิตังตังเดไเมือสมิจตูสเปียผู้เรียนดูทั้งกปาจันโทพนสโสจะทามิโชทีระโสาสเพีิโยวัจันตุทโธสัพโยสัพพโลกวนัสจะถวายตเพราะว่าตราราโยสุขีตีกายโยโภวะปิวานาสีมินิจ so ัง Fo วุตาปัญญโนจัตตโรธรรมาวัจันติอายุวนสุขังสารัด the ้วยเดียวพุศะกันาอันทรงพระคน้ามมีประมาณแล้วก็้องมีอยู่ทุกการรู้ไม่เคึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่เคลืนอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเมื่อเป็น่ังนี้ ที่มาในที่นี้ก็ดีที่มาในมาในที่นี้ก็ดีเท่ทาทั้งไตรโรกาเจะาประสบแต่ความสุขความเจริญใน า, า, ามบวพระพุทธศาสนาของพระสมาดพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยดูดโด ย, โด ย, โดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเธอไ ป, ไป